ลำดับจากที่ไปเป็นพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจากดกชวพิเศษชุดสร้อยรวมรมกันตีเก้าจีวามัทีตรวจชัมระคัดเราสมนนใหม่โดยอินสมชายชุมภูปรเรียนทมภกประโยคนักธรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจีงยงไย นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอสัมมาสัมพุทธัสสะยะปะนาตังรันยามะหาปาทาวิงุนนาเตตาปิยาพุทธ เตโซ <c oughs> ตินเนสุญาวาพระมโลกาเอกโกลาหลังจาตังหุสีลมดาบธรร ม, มเตสนามาแต่เก้าถึงกันทวนเก้าชื่อมัที อันพระมมนีตนสักสวาถากโอกาเสเทศนามาส่วนว่าพระยาสัมปัน ญ, ญุตัญญาอันพระเสด็จอันพระโพธิสัตว์เจ้าตนลํำเลิศหากภาธนาเอา ในเมื่อสององเหลาลูกน้อยอันเต้ายอดซอยเวทสันตาราจามีศรธาผ่องแผวยกยืนแล้วเตตานด้วยใจบ้านจมื่นปีที่ตื่นยินดี อจชาจันมีหลายแหล่เกิดขึ้นแผ่ตันตายังแผ่นดินนาว้วันฝ่าร่องลันไปบนเกิดโกละหนมีกองขึ้นรอดทองมาหาพรหมก็มีหันแหลนา <c oughs> เทวาตาโยอันวาเทวาดาทั้งหลายมวลมูวทวนนาอยู่หิมมาพานฟังเสียงสารแสบไห แห่งแก้วแก่นไทยทรงสัลีอันพร่มตีจำกว่ า, าพามเทวดาจำไปเทวาดามีใจดังจักแตกร้อนไร้แรกจูตนตนเป็นโกลาหลนอันมากเทวาดาติ่งออกปากจากกันว่าพิวสีสพันนอเนา งามบ่อเศร้ า, าราชามัดที่จากดุงรีเถื่อนทองมาสู่ห้องยำมันกันบ่อหันซองจอมควันปีน้องในแห่งห้องศาลา <c oughs> นางพาญาก็จักามหาเล่ากันรู้ว่าเต้าเฮลูกเต้าเป็นตานังน้องคานว่าแว่นก็จักแล่นตววยรอย เล็ดดงดอยใหญ่น้อยเล่นค้าค้อยตุยหาดังพญาเตียงลําบากจะเว่ยตกยากนักหนาจะและนอเทวดาจากกันดังดีแล้วเปื่องืฮือกาดแก้วกังวลจริงบอกเทวาบุตรสามตนยศใหญ่อยู่ป่าไหมหิมมาฟ้านว่าจุงไปบรรดาลกับเป็เป็นเนื้อเน็ดสามตัว อันเปิงกวัวเขื่องกาบดังจากกั้นกาบดีเลตัวหนึ่งเป็นดังราชาสีเป่าเปรบจ้างตัวหนึ่งเป็นดังเสือคงอังอาจเอาคนตัวหนึ่งเป็นดังเสือเลียงโจรพกคาควางอยู่นาต่างมาหยาหืนางพระญาเตียวต้องมาหอดทองหยามันกันพระจันร์สองแจงไข่จู่แห่งดงรีจุงหืนางมัดที่ปอกสูญังที่อยู่ศาลา สัตน า, าตัวรายจุงหื้อยางยนี่ไก่หื้อนางใสใจแก่นไยไปรรดไดสัตสีแดเตเ <c oughs> มื่อนันเตวาบุญสามตนองอาตรำโอกาเตวาดาก็ะับกัญญาบอจ้าลงมาอยู่ท่ากองตางก็มีหันแลนะนา ธรมถังปะกาเซนโตสัทธาอาหาสัทธาสัพพัญญหยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตานาวาเตสังลาลาพิตังสัตวะตโยน า, าวะเนมิกาดังนี้เป็นตน พิกาเวดูราพิกุส่งตนทารุงสินใสบ่อเศร้ า, าตุกข์คำเจ้าภาวนาอันเตวาดามวลหมู่ทวนนาอยู่หิมมาปานได้ยินเสียงสานพหลาบให้สะอื้นอาบน้ำตา กวนกุนนาบ่อน้อยแห่งนอนยอดซอยสองสาลีคือเจ้าจาลีงามเดิดแล้วแล่นางนอแก้วกันหาเทวดาป่าไม่ร้อนเอาใบกังวลจริงหือเทวบุตรสามตนวิเศษอันอยู่เขตดงไพรว่าสู่จุงไปอย่าเจ้าไปเป็นเนื้อกาสามตัวอันเปิ้งกลัวเครื่องขาบดังจากกั้นกาบดีลี ตนหนึ่งเป็นราชสี่เป่าเผืออจ้างตนหนึ่งเป็นเสือโค้องอ่างเหาคนตนหนึ่งเป็นเสือเลื่องโจรสอดล่าไปอยู่ท่าเกิดความตัดติต่างจอมแคบอันนางให้แหบบอนขอนั้นแดดเตอร์ ออหนึ่งสัตว์ร้าลายในป่ายญาฮือลาเบียนนางสัตว์ดงควางตัวไรจุงเฮื อ, อย้ายนีไก่ยญาเฮือนั่งใส่ใจน้อยนาดใดก้อยกาดเมื่อมอนกันสลีบางออนตายแล้วเตี้ยงเสียโกธากแกว้วสองอันคือพระผัวจอมควันเจ้าฟ้าพระลูกนอลาทั้งสองจักและนา อาะเตต ะ, ตตเะโยเตวาพุทธายมั้นเตวาบุตรสามตนองอาจก็รับ โ, โอกาสเตวดาก็กบกาญ่าบ่จ้าเป็นเนือเด็กาสามตัวอันเพื่องตัวเครื่งขาบดังจากกันฑกาบีหลีคือราชาสีเสือคงเสือเหลืองไปลอนเนืองไขวยควาง ตาติวางตังมาและนาส่วนรา้ามัที่หนอไทยคานิ่งไข่กำปันว่ากูฟันหันเป็นตอดฝันไร้โหดนำนาก <c oughs> วรซแหวงหาเือใดยังหลกไม่หัวมันอย่าเือตันได้คำตาวันต่ำจนตาควรรีบไปกาขึขา้นสู่ยังตีอยู่อาศ ร, รมนางอุดมกึดแลว้ว ตนด่างแก้วลวดสันไปมาเจ็ดน้ำตาจะใจร้องรำไห้กก่าวกัทาวาสหัสถะาโตคานีติกังดังนี้เป็นตนว่าโอ้หยน อันว่าเสียมสุกันจอดบองเผื่อดาตั้งตองหัวมันกูยุบพันบ่อผากรลุดจากเสียมือสายซาดื้อข้าเช่าใหญ่ห้อยบ่าไว้บ่อตันปงปล่อยลุดลงจากบ่าความสว่าเหนือดินตาสายละละลินละละเล่นเกิดขมนตัวตาควาไม่ฟุงนดีนะเมื่อก่อนลูกบ่อฮอนหันมี ป้อยลูกบีไลยแลเต็มจูงแงสาขาไม่นานเมื่อก่อนลูกห้อยย่อนลำลายป้อยลูกหายเสียงไข้ที่สะหนไตก็เป็นดังหนเหนือ้อไม่จดเตื่อย้ายที่ดาบมีตีตั้งไฟนังก็นิ่งไหนลลยแลว่าจักเป็นเหตุแก่กูนางหรือจักเป็นล้างแก่ลูกเตา เพื่อจักเป็นเหตุแก่เจ้าจอมทันยามตะวันคำลาหลงลับป่าดงเขวนั่งจิงเตียวรีบพาออกจากเดาวองตันเพื่อวังหันลูกเต้าแล่เต้าเจ้าสามีกาเนื้อปลาตัวใหญ่ซ้ำมานอนไข่ควางตังสะลีคิงบางเอาไหม่ ก็ดิ้งไข่ในใจว่าต nah ั้งยังไงนักแก่กูจักแว่ตั้งใดเอเร็วไวไปรอตียังจอดอารมรูกไม่งามบ่ไรกูหาได้ปามาเป็นโพจนาหอมเฮือนเอสามเต้าจืนจมซาเบย์บุตตาเฮย์บุตตาเฮยหน่อรา สองกำพาขิงงามอยู่อารามแก้วกูไัยบ่ออยู่นอนแฝงสองร้องแฝงอยากเข้าป่อพญ า, าเจ้าเตียงล้มขาจักแลนามุตตาเฮยลูกเต้าเนื้อบ่อเศร้าปุนจมแม่พาร่มขิงหอยตาวันต่ำก้อยมืดมัวอ้อนนกหากอนสัสจับไม่ขานันเนือง ออเติดเรื่องใส่ส่องดาไก่หลงลงแรงส่งรอมแป้งแฝงกันอยู่ยังดังเนื้อกูกล่องนมสองอุดมยอดแง่แม่จุบแก้มทั้งวันสองจอมขวัญโนลาเตียงอยู่ท่ารามดังหัวตามงามแง่ร้องหาแม่มอโม ส่องสอบแอหลนเต้นกิ้งเกือเกเล่นดอนซ้ายกำสายพายฟุยฝุยยย่นเอามุกหมุนตาตนบัดนี้เจ้าสองคนปีนองเ <c oughs> ตียงรำร้องก้องหันซ้ำตะวันตกต่ำลับเถือนธทมดงควางสวนหนตางป่าไม้ป่อใต่ใดติ่นเดียวตีตังเตี้วกับกังสองข้างฟังเป็นหิวบอหันตังเตี้ยวเสียแล้ว จักไปหาลูกแก้วสันใดนี้จ้า <c oughs> กูวกวนสาขับไว้ซึ่งพาญยาเนื้อใหญ่ตั้งหลายหื้อผันภายดีกลี้เว้นปันตีตั้งไปกันท้านิ่งใจดังนี้แล้วนังนอกแก้วมัธยีลูกสาวสรีมัตราชก็จิงสาดก็ทาว่วามีกาณามัทุราชโนดังนี้เป็นเกา่า ว่าคาแดเจ้าพระญาเนื้อตั้งลายคาโน้มมือไายน้อมไใบขอผาญาเนื้อใหญ่ด่าฟังเจ้ามีกำลังกว่าจ้างในป่ากว่างดวงดำทำเมทาด้วยหลวงทำทวนทีสู่เจ้าเป็นปีกูนางน้องขอหนุนตั้งจ้อง ขอปล่อยน้องหญิงเดียวเผื่อจักเกียวไปสู่ยังแก้วกูสาลาน้องเป็นภริยาเตรียมบาทแห่งตาเบสันตระราชภูบาลผู้มักทานบ่ขาดขาดน้องนาสมัทที่ปำเรือนดีทุกเมื่อสร้างบุญเผื่อรักษาดังนางสีดางงามแง่ปำเรินแก่พญาราม ทุกวันยามคำเจ้าข้ารักลูกเตาและสามีกากองวัดนานะาฟังก่อนข้าบ่พ่นอันใดข้ามีใจกึดรอดไข้หันนาสองยอดพุตตาขอจุงคุณนาข้าน้องหลีกปันจ้องตัางไปแด้เถอ อันว่าหัวมันมีหลายหลากลูกไม่มากเจอจานเป็นอาหารต่างเขาแห่งลูกเต่าและัวควันขาจักปันหือพองเจ้าจุงเย่จองปันตงัง <c oughs> ขออินโดนางดองไทยละลีกไว้ต่างไปราชาพุทธีจโนมาตาราชาพุตโตจโนปิตานว่าแม่ใส่ใจแห่งข้าเป็นลูกเจ้าฟ้ากษัตริย์ พระพิตาตนพ่อเป็นเชื้อเต้าตอกกินเมืองสู่เจ้าจุงเป็นเหมือนปีน้องเกิดรวมต้องแบเดี๋ยวมาจุงคุณนะข้าน้อยอันรำถอยวอนขอเหตุไข้หันสอโบอลูกเต้ากับเต้าเจ้าหัวพันคอลีกปันตั้งใจข้านองไทยเดียวไปบัดนี้แดด อา้าเตตะโยเตวาพุทธาในกาละนั้นใส่เตบาบุรใหญ่สามตอนอันบันดลกับปเป็ดเป็นเนือน้อเดตตัวคานเล็งด้วยการแจ้งสองก่อเแย่จ่องปันตางเปื่อหฮือนางไปสู่ยงติอยู่สาลาวันนั้นและนา อามทังปะกาเซนโตสัทธาอ า, าสัทธาสัพปป ญ, ญูยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาวาทัศาลาลปามานัญาปะหุงการุญญาสันหิตังดังนี้เป็นตน้น เพกขเวดุราเพกโคส่งตนทรงสินใสบ่อเศร้าลูกศิเก้าตสพลส่วนเตวาพุทธสามตนวิเศษอันท่าแรงเปตกาญาเป็นเนื้อปลาสามสิ่งตัวกาหนิงคานองมานั่งกองท่าอยู่ตั้งหูสูดะฟังวาจะนังยังกำก่าวอันดังเต้าหากผ่าใส เร่รำไรพี่หลาบน้ำตาอาบอกนางขอหน้างจ้องจอ ง, จองเปื่อไปสู่ห้องศาลาก อ, อดคุณนาะบอดได้จริงยะจ้องไว้ปันตางเพื่อหือนางไปสู่ยังที่อยู่อาสารมนางอุดมนอลา กันสามเลือกาหนีไปก่อเรียวไว้ว่าว่องไปสู่ห้องศาลาวังหันสองขาลูกเต่าตั้งพระปินเก้าจอมฟันวันนั้นเป็นวันคืนซิบห้าคัพระจันทร์ป่ําเป็นดี <c oughs> ร า, ามีใส่สองนางมารอดทองอาศรมบ่หันสองอุดมน้อยอ่อนเล่นมาตอนมหาดังวันว้าหลวงแลว้ว บ่หันสองนอแก้วเรียงกันนางเคยหันตั้งกูล่าเล่นอยู่แดนได้นางก็ไปที่หันบ่หันสองนอจันโซภานางโซกาหมดไม่ก่อร้องให้กล่าวก็ทาว่าอีมัมฮินังปะเตสัมฮิดังนี้เป็นตนฐานาทีนีนาวิเศษด้วยพระเทศอาราม สองซาดีงามแบนฝ้าแม่เกยหันนาจอมใจขาไปในบ่เว่นกินเกือกเกลิ่นดอนสายสองบุญภัยงามแง่เล่นตอนแม่แต่แดนไก่สองใส่ใจเมื่อก่อนเคยเล่นตอนทำกินตั้งมักปิ้นมักม่วงแล้วล้วงจกทงบ่อต้นปงขาเช่าสองลูกเต่าหากจิ้งกันวันนี้อัศจรรย์แต่ใส สองแก่นไทยไปในสองใส่ใจตั้งกูดังลูกนกอยู่ร่วงรังกึดใจวังหาเยืออาปากเผื่อด้กกินตัวแม่บินมารอดอาปากสอดเสาะหา <c oughs> แม่ได้อันได้มาบ่าไหวกาบยืนใส่จูพักก า, ารสองบัวบานน้อยอ่อนเกยเล่นตอนแต่ไก่มาดังลูกองสาหันแม่ดินพักแผ่เนื้อต้ม อสรมราบกวางพระเตตังดอนายขากำรพายฝุ่นเล่นบ่อได้เว้นสักวันวันนี้บ่อหันสองโสพันนอไทยไตยรมไม่สาลาดีจา อันว่ารอยติ่นรวบจ้างที่จิมมคางดอนท้ายยังบ่าหายรอยวิ่งลูกแก้วหญิงสะเมื่อตาไไในจ้าบ่าบอกหรือไปนอกอาสะรมใจพาร่มลาเล่นคำฝุ่นเต้นลวดลหรือมาเรือพาพิตาตนพ่อหือสองน้อยนออุดมนอนในอาสะรมอยู่ท่าสองนอลาลวดลับไป กูดังแม่ดอกในป่าไม้ละลูกไว้ในรังมีใจหวังอยากเยื่อละลูกเปื่อหากินคนเตียวดินมีมาคันแล้วหากเอาไป กำต้านไขว่าไว้ก่อมาได้แก่กูนั่งละสองบุญขวางนอลาแล้วออเข้าป่าดงเขียวปอกหลังเลียวมาสู่ยังตีอยู่ศาลาบอกหันสองโซภานอไทยต่ร้องให้อยู่ดอมได้นี้แลน่นา สองบนผายนอดลาลบลีนาไปไหนหรือสองสสยใจละปลี้ซ่อนอยู่ตีได้จ้าร้อยตินสองขาเตียวตองเยะอะยังยองตามกันพากุดหันทีแจง้งควายจู่แห่งแดนดินดังร้อยตินลูกจ้างเดินจิมคางตินดยอยยังมีร้อยบ่า่อนสองน้อยอ่อนไปไหนนี้จ้า กองสายงามเรียงรอบโลกแก้วกอบกำพายสะดุ้งสบายเหมือนเล่นหกเล่นเต็นจอมกันกูนี้เคยหันบอขาดบัดนี้สองน้อยนาดไปไหนแต่ก่อนกูไปป่าไม้แก้วแก่แกนไทยจอมควันย่อมปะกกันเล่นอยู่ในแก้วกูสารหันกูมารอดห้อง ย่อมเรียกร้องหากันเล่นเร็วปันตั้งกูเข้ามาสู่ตนกูบัตนี้สองบุญจูโลกแกวกากาดแก้วไปไหนนี้จา้า <c oughs> กูดังนางแม่แปะเป็นกูอยากนำอยู่เรรนลูกสองคนยังอ่อนบ่จากบอนสายตาบัตนน้นาะลูกเตาไปอยู่เล่าเสียไหน อุ๊าลอยลายลากลูกแก้วเกิดจากอกตอนตุกกังบนบ่วงเหือดร้อนไม่เดือดเนื้อลายเหตุว่าใสาที่ราชได้ก้อยกาดหายตานี้แลนาแต่ก่อนมากันหาน้องแก้วขึ้นตักแม่แล้วกินนมบัดนี่สายอุดมบ่ยู่นมแม่ตั้งกูทองถมเต็มด้วยนำนมตั้งสองเตา บ่หันสองเจ้าหลวดยินผ่านเจ็บอกผ่านจักแตกร้อนไรแรงปานไฟสองใสใจงามแง่ไปอยู่แก่เดนใดนี้จ้า <c oughs> นางอาถาว่าจะใจร้องรำให้กล่าวก็ทาว่ายังโรอส า, าโมปุเปดังนี้เป็นตนว่าสรรมบทนี้นะเมื่อก่อนคาเอนอนไปมา เยี้เสียงนานามีกองดังเสียงปาดก้องเมืองสวรรค์บัดนี้บ่หันสองโซผันพี่น้องแก้วรวมต้องแม่อุดมอ่าซาลมเย็นยาียอกบ่มีเสียงเรียกหากันบ่มีเสียงได้นันสักญาตในอาวาตศาลาจุมมุกาในป่ากอบบอบินลามาไกา สรัดหลายจุติเสียงบมีมีมาในศาลาดูลากโบมีเสียงปากจำไอล็กในไพราลายมูก็โบมาเป็นกู้คันคันสองโซพันปีนองตายแก่ห้องแดนใด้หรือสัตว์จังไรกายาบมากันกาไปกินนี่จา้า นั่งมาที่แก่นไทยตุกเอาไม่เหลือใจน้ำตาไหลพาผูกก็เข้าไปสู่ศาลาแห่งพระมหาสัจเจ้าเอาข้าเช้าวังลง <c oughs> ปดยังทงอันใหญ่อันใสลูกไม้ดาชันสวนพระจอมทันตนป่อก็บอกว่ายดาหล่อจะใครอันนึงก็บอหันสายใจพี่น้อง <c oughs> อยู่ในห้องสาหานั่งพญายศใหญ่ก็ร้องให้เก่าวก็ทาว่ากี้มีตังตุนให้พูโตสิดังนี้เป็นเก่าว่าคาแดดเต้าเจ้าใส่ใจเป็นสันได้ี่เจ้านั่งจดเบาบ่อไข่คำคาฟันยำแต่นอเต้าบ่อปากล่อเจียนจ่าจุ้หมูกาในป่ากอบ่อร้องลาบินบล ลูกสองคนอ่อนน้อยเตียงกาดก้อยมาราณาอันใดจ้าเป็นเหตุเธอเต้าตนวิเศษบอดเจนจาทารุงยศนาบ่อปากำฝันหากเป็นลางหมูน ก, กังเตือนทองบ่อมาร้องคันคันสองจอมคันดูกแกว้วเตียงตายแล้วจากกูนางจั๊กแลนา เพราะเหนือหัวเฮยปิ่นเกา่าสองลูกเต่าไปไหนสัต์ตัวใดในปา่าหยับลูกแก้วกว่าไปกินจุมนกบินเขื่อนทองบอม่มีเสียงร้องนั้นมาสั์ปลาลาก่ายาปาเป้าเปิบกาบสองขาเอาสองโซภาปีน้องแกว้วรวมต้องแม่ไปกินเจรือ หรือพราบุนลรือเจ้าคอยใจลูกน้อยไปไหนครับจำไปรีบร้อนไปสืบซ้อนกำเมืองตีเต้าบุญเรื่องตอนปู่ฮือหงหมูมาเอาหรือสององเล้าฝี่น้องไปหนอกห้องศาลาสะแวงหาเครื่องเล่นขับฟ้อนเต้นงันกันบ่รู้เวลาวันและคำสองเจ้าพ้ำลืมมา กูนางบ่อหันเกษาแซมดอกไม้แห่งแก้วแก่นไทยสองซาลีหรือเสือมีจ้าแข็อันอยู่แก่ไพสนปบลูกสองคนติวกว่าโนคัดสดีลิงลาบินบนเอินจากฝนอากาศสู่ตื่นหยาดเอาไปตกแดนไก่บ่อหันสาคือแม่ตกหยากไปหลังจะรอ เอวังบุเตปีแม่ น, นางมาัดทีแก่นไทยจักร้องให้สันได้เท่าจอมไตเวชันตรราชก็กบโ อ, อกาสกรมมาโบเจียนจาตันต่อึ่งหนังน้อยนอสักกำก็มีฮันแลนานางมาัดทีแกน่แกนไทยจิงร้องให้วิงวอนว่าคาแดพระเว ส, สันดอนเฮยยอดตา ดังเรือเนาดาเน่าปูนกวัวท่าร้องตัวนิ่มอยู่บ่อบินนาสู่ไข่กำค้าบ่อได้กะตำไร่โหดแก่เต้าผู้สั่งประโยชน์เป็นจีกับ <c oughs> บ่อได้จ่ถอยข้าหมอนน้อยนี่ไก่กำอันใดคุณใหญ่ค้าปฏิบัติไว้ตามทำบ่อมัวดำมืดเจ้าบ่อพมาเจ้าบุญเรือง ข้าเหนเครื่องแกนกั่งน้ำตาลังไหลตกยินกันอกต่อฟ้าย้อนพระกินคาบอเจียนจ้ากาเครื่องกาลำบากเหตุเจ้าบ่อปากไข่คำดังปืนย่ายำเล่มใหญ่ปักเสียบไม้สันดานเหตุบ่อหันจาลีคานจินจอย และนางน่อ้น่กันหาตกอันนี น, รนรานนนนนร้อนรีบดัง้าเหนีบกำดินใจเมืงวิญญาณร้อนไร่ปันบอนททวง <c oughs> ย้อนบ่อหันติบดวงหลูกแก้วกับพระผ่านแผวบ่อผาดีบ่ออินดูมัททีนอลา บ่ออายนาะผ้าใสเจ็บหัวใจสายสันดังปืนปิดปัน่นบัตตาพระโสภาเฮ่เจ้าฟ้ากันเต้าบอ่อปากจิมขาเมื่อย้ำพันเฮอตกปันจังก้องขานัดน้องมัดที กันร้อยที่แจ้งรุ่งสายฟ้าปุ่งเรื่องร้ายคาเตียงจักตายมรณจใจเสียงขาดเป็นผีย้ำพอดีผูกเจ้ามหาราชเจ้าก่อจักหันแลนา <c oughs> เมื่อนั้นพระมหาสัตเจ้ากานดิ้งเหล่ากฎหมายว่านังชมชัยนอนเนารักลูกเต้านำนากูจักตัดโสฟาอันหยาบกก่าวคำราบนางพญา คือหายซีนิหาอันใหญ่เต้าก่อตานถอยใส่หลายกรรานานุมติวาระรุหาราชาพุทธิยสัพสินีดังนี้เป็นเก่าวานุรานหนอเนามาิทารงจมดีสะอาดลูกเต้าลาดดือซานงไปดงนาแต่เจ้าลาปลาเศาคนเดียวจริงจักเตียวมาคำตาวันตำป้นเวลา ดังกูจากพิจารณานีโสดจากกลางเป็นตดแก่ตนกู้หรือนั่งบุญจูหนาไทยอันแอวป่าไมดงดานสอดหิมมาปานเล่นล่าด้วยพรานปากินนรอน ตั้งทิพัพญทอนหล่แหล่ไปเล่นแก่จีไ l a หล่อนนางมิใจบ่ตั้งสติปังแพลฝวรเนี่ยบ่กวรผิดแพกใจฟุ้งแตกเสียสติแสงทาริมาวอนมาให้เด็กข้าไขายามปีดาวนอนดูราสลีบังอ้นนอนางาม้ำบ่เศร้าเหลือตานางไปหาหัวมันลูกไม้ในป่าใหญ่ดงใคร <c oughs> บ่มีไผจักรู้แม่นนางเล่นจู้ไผจักหันเห็ดหิมมาวันตาตั้งแดนเขตกวางเหลือใจตั้งจีไพรผ่ า, านป่าติพัญญาทอนลาดงรีรอยนางยินดีจื่นโซลักเล่นจู้ไล่มาอญ่าบ่พิจารณาคึดรอดใจบ่สอดถึงไผลูกใส่ใจบ่กุดรูร้นางได้จู่ลวดลืมผัว ซานุกหนัวลำยิ่งคำแล้วจริงคืนมาแสงเครื่องกาเอาไม่ร้องรำให้พราร่มหาซองอูดมลูกน้อยอยามนางยอดซอยละนีไปดงรีแต่เจ้า <c oughs> ละลูกเต้าอยู่ศาลาคนใดนาจากรู้ยามนังอยู่ดงตันไผจักหันดนังแม่ยามอยู่แก่ดงดานกรมโบราณแต่เก้าคนเท่าเล่ายัางมี ว่าจังปังจักหนีเสียเถื่อนก่เพราะบ่มีเปลือนไป้ายสารยิงใจหานเล่นจู่ก่อย้อนพัวพูใจดีราชสีจักภาคหนีละจากดอยผาก็เปื่อดอยดูกนั้นนาบ่มีเปลวปากทำป่าจักหนีเสียน้ำก่อเพราะวาน้ำบ่มีตมเจ้าสรรมจักหนีเสียคู่ก่อเปื่อคู่นันใบ นอกจักหนีเสียจากต้นไม่ก็เพราะต้นไม่บ่มีลูกล้วงลายกว่างทารายจักหนีเสียเหลาก็เพื่อเสื้อคงเทาเตียวจงรัจะหงจักหนีเสียจากสรรก็เพราะสระนั้นบ่มีบัวยิ่งจักหนีเสียผัวก่อนย้อนบ่ผัวขี้ไรของเรื่องใจบางตาเงินคำขาลผาผักนิ่งไรหากดูแคลน เมียกายแก้นแ่งนายเหตุผัวบวจ้างเบียงบายคงควายกำบร้านใหม่ว่าไว้ก็หากมาได้แก่ตนกูนี่และนาจุ้มยิงรอมแถวเท่าย่อมอยู่กับลูกเต่าหัวควันพร้อมเปียงกันเอื้อมคางญิงฟูงเป็นแม่ห้างก่อยังอยู่คนเดียวไาบ่อหอนเตียวมาคำตาวันต่ำพ้นเวลา ดังกูปิจารณาดันสอดรอยนางบาอกกิดรอดถึงกูกับสองบุ้นจูลูกเตาอันอยู่เฝ้าศาลาตุกเครื่องกาลำบากอดกันอยากเลือลายนางผันภายไปป่าแอวเล่นลาดงงพลายสนุกใจพ้อมพ้ำตาวันตำ่ำจนตาจิงปอกมาขึ้นสูงที่อยู่คูดี <c oughs> ด้วยราบีพระจันทร์จอยโจดอันนี้กอลังเป็นโตดแก่มือนนางอันแอวดงควางปาเสาบ่อรูปปอกเต้าขึ้นมาการโกยยังเป็นพญานดังแต่ก่อนมีผวกน้อยอ่อนมาตั้นในสีวิราชคันตันเต้าในเขตดาวเหมืองควางกูจักตัดหัวนางน้อยอ่อนคือเป็นเจตต้นบัดเดียว ตัดต่างเตีวเส้นใหญ่ต่างสุม้มไข่กลางเวียงเฮอคนเรียงร้ายอยู่เพื่อบบเฮหญิงเล่นจู้จากลัวตนญิงนึงคนนึกญิงนึกคนหาในก็ได้มีโบไรเดือตาแลยนะ ลรมหาสัจเจ้าจ่าตันเล่าอุบายเพื่อหฮือนนางหายศกใหม่ลืมกุดไข่คนิงหายังสองบุตตาลูกน้อยเต้าเก่าถอยไหลพักการส่วนนางดงคานดอนางามว่าเศร้าราจะมาทีฟังว่าตีเต้าดาร้อนไร้กว่าเลือใจอกปานไฟวาวาดนางจริงสวัดกรถา ว่นานโนตังสัตามัดโซ ส, สิดังนี้เป็นเก้าวา่าคาแดพระเนือหัวเฮ้ยเจ้าฟ้า <c oughs> สังบ่เนียนนาและเงียงหูฟังยังเสียงดังมีกองนันตัวต้องดงนาจุ้สัตว์มาลายแล่เปื่อจักกินแม่มัดที กษราเจาสี่ตัวกาเสือคงท่าหนตั้งเสือเหลืองข้างกลางป่าคาตก้าป่าปุนกลัวพ่อนังหัวเย้าเหยียกใจความเคือกเวว่าขาย่อมือสาใส่เก่าขึ้นรอเจ้าจอมใจมันเป็นสันได้แก่คาดินและฝ้ามืดมัวตาทุกทิศาเดือดแลก็หันแพนพิษพร ตีซาตังบวนดูลากหรือเตา้าบ่อหากเล้งหันว่าข้าไปมวนงั้นจื่นสูลักเล่นจู้อยู่ดุงรีข้าแด่พระราศีเฮ้ยเจ้าฟ้าข้าจักไปออกนาดังหรือดีเขาเตียงว่าข้ามัดทีมีจูชะลาดรู้ตันหาเป็นยิงปาลาใจบาปยิงคายาบมาตุกรรม จะไอ้ามากกรลายลาเล่นจู้จากเสียผัวฆ่าแด่พระเหนือหัวเฮ้ยเจ้าฟ้าข้าเบาวาจักกมนาสู่อาเวจีจรือ จะไอ้ข้าวัยว่าวาดปูนกัวมือทุนหัวน้อมวบกางป่าไม้เรียงรายยังตีซ่าตั้งลายเดือนแหล่พอดูแต่พิษพวนตีซ่าตั้งมวลจอมแคบสายฟ้าแม่ปรเรืองตั้งเสือเหลืองเสือคงร้องกองลงดงรีตั้งราะสีตัวเทานอนอยู่เฝ้าตั้งมาขาย้อมือสาวันไว้ เก่าเจ้าใจขอตัางเลื่อจริงวางลบหลีกเอาตัวฟีกมักกาค่าจริงมารอดคำตาวันต่ำตกดินขอพระนรินเจ้าฟ้าอดโทษแกคามาทีแ ด, ดเตอ ข้าดาพระศีบุญกว้างอันอยู่ตาตั้งดงรีอันวาระจะศีลายแลอยาได้กันแม่ตั้งกุมลูกอุดมตั้งกูสัดยาลูกปานีพุงเสือมีจะแค่ยาได้แวะมากาย หือสองยิงใจลหลวกน้อยได้กาดก้อยเมื่อมอนค่ะวิงวอนใจใจเปืือกือได้ตั้งมาส่วนพญาเสือโคงเกิ้วก้อมคงเสือเหลืองอันโนเนื้องไขว่ควางก <c oughs> าง ต, า, งต า, งาตั้งตั้งมากางดงนาป่าไม้ค่ะร้องไห้วนขอเนื้อจริงยอหัวเหล็กเต็นย้ายี่คนต่าง ข้าหญิงด้างจิงได้หนตั้งไตเตียวมาสู่ศาลาย้ำคำพระจันทร์พรำหรื่องไรขอพระใสใจเจ้าฟ้าโอตอดแก่ข้ามัดที่กัมบอดีเต้าเกาคาร้อนพระพาวเรือใจแต้และนา อาทาในกาละนั่นอันวารัตสบีพระจันทร์ใส่ซองในแห่งห้องอยู่กันทอนพระเวทสันดอนยอดซอยบ่อตันถอยสักกรรมน่งงงคำดาทายร้องรำให้ถนัดใจน้ำตาไหลอาบนาตกเต่าฟ้าเรรนเหตุรักลูกตนจ้าใจจิงร้องให้ก่าวกะาะถา ว่ า, าหังป้าติน จ, จาพุเตจาริญญามีวะมานาวาดังนี้เป็นเก้าวาคามาอยู่เฝ้ารุมรายังมหาราชเจ้ากับโลกเต่าตั้งสองมีเพียนป่องติดต่อปริบัต ต, ต้าวตนป่อเหยาวยืนทุกวันคืนคำเจ้าปำเรนพระร า, จาเจ้าดีดีข่าบวชเป็นราศีนี้ในปากวาง เป็นเปือนสร้างสมปานกตาต้องการผ้าพ่พอเสื้อผ้าย้อมนั่งเสือเอาใจเจือตุกไรหาลูกใหม่มาฉันไปตั้งวันบอกขาดเปือเลี้ยงเต้าที่ราชบุญนา <c oughs> กับบุตรสองบุตรตาอ่อนน้อยงามจื่จ้อยชิงรำดังใจรำหนุ่มนาวปฏิบัตเจ้าอาจารย์นั้นเลนา ตั้งสูวันาหาหริตั้งขาบินคำงามจินจ้อยแม่จักเหือลูกน้อยกันหา <c oughs> ลูกอำป้าข้าตุ่มตึงตองแม่จักฮหือปีกิ้วกองจาลีลูกไม่มีบ่ไรแม่หาใดปามาส่องโซผาเฮ่แกน่นไทยจุงมากินลูกไม่เร็วไว้แดเตอ ดอกบัวขาวงามจะจนรถวันอ่อนเอาใจมากสร้างใสบ่อเศร้าตั้งมากเตาเฟืองไฟกระจับใส่ลูกใหญ่ขนุนใหม่มีงวงลูกไม่เป็นปวงลายหลากน้ำมินหักเจือจานขอเจิญพระผู้บานผ่านแผวเรียส่องลูกแก้วมาสะเวยแดดเติ้ ดอกบัวบานเลิดแล้วจุงเฮลูกแก้วจาลีดอกโกมุดดีแบ่งซอยจุงเอนังนัดน้อยกันหาพอสองขาตัดดอกไม้ขับฟ้อนใจพอดีดังกินนารีแอนฟ้อนเยาะเยบย่อนลีลาเอาบุพภา เ, เกี่ยวเกตคือดอกสาลิเตศมาดีวันเกตสนาตั ก, กันหอมฮืนปูนสนุกยืนเอาใจ <c oughs> คาบเสียงใสตื่นต้องสองปีน้องจูงจำจารีนำฟ้อนก่อนกันหาอ่อนขับขานฟังเสียงหวานใจจ้าดังเสียงนางฟ้าสาวสะวันขอเจิญพระนักทันอยู่เก่าเรียกลูกเต่ามาฟันแดดเตอ อันว่ากันห่างงามจื่นจ้อยครับอ่อนอ้อยเสียงใสดังแบงงย่งแบงว่างร้องตีคังเขาคำเป็นระบำที่ทวนกลมเกียงล้วนกวนละเมาเจ้าลีเล้าลูกแก้วแม่มารอดแล้วบ่หันไหนนี่จ้าโหวตตตุกคังว่าโอ เราตั้งสองนี่นานอทุกโศกเศร้าซะเมื่อกันไฟอาทันจำจากใดเฮือพากเมืองมาจากป ร, ราเตต้องมาอยู่ห้องดงรี้าแดพระราศีเจ้าฟ้าไปเสียลูกลาระไหนร้อยว่าไหนจัดก่อนข้าน้อยมอนอาธรรม <c oughs> ได้ไข่ก ร, รมหยาบจ้าว่าไรา้ดาเบียนจี้ตนมีคุณดีวิเศษวังขึ้นเขตสวรรค์หรือได้นำเรือพันละผากไปเสียจากมันดาวิบากมาคืนขอบซะยองตอบตัวตั้นหือสองจอมควันนอลาได้ผากหน้าหายไปนี่จา นางย่อเมื่อส า, าขับไว้ร้องรำให้ไปมาย้อนซิเนหารักลูกเขาต้องถูกถึงใจนังจะใครทาต่อเต้าก็บปากล่อสั ก, กําก็มีหันและนา <c oughs> เมื่อนั้นมหาสัจเจ้าบ่ปากนางเต้าหากกังวลมีตัวตนอันสั่นร้อนไร้ปันไปมาเจ็ดน้ำตา จ, จ้าใจ ร้องรำให้เล่นไปปั่นด้วยรัศมีพระจันทร์ใส่สองนางเต้าต้องเตียวหายังสองโสฟาโบเวนขาเกยเล่นเด่นได้นางก่อไปซอสซเป็นตนวาไไม้จุมปูนางไปดูเฝ้าแล้วบองหันลูกแก้วเด่นได้นางใสใจนัดไห้ก็ร้องให้กก่าวกาทา ว่าอีเมตเจมปูกาลุกคาดังนี้เป็นตนบ่าไม้จุมปูน้อยใหญ่อยู่ตีไกอารามยางปลายงามสูงยิ่งให้คำกิ่งสมสารไม่น่ากันบุญนากดอกลายหลากเป็นพวงในดงหลวงทุกสาหรกมีไม้คักหมอกจมปา ตาบันงาหอมยิ่งค่น้อมกิ่งก็แขวนตุกดินแดนตีเลนบิดดอกเต็นผ้าพายไม่ตั้งไลายพ่พ่อมากวิดอมดงเคียวขาเกยเตียวคำเจ้าตัดเกตเก่าพระดับตนลูกสองคนแวนแก้วแม่ไปหาแล้วก็บอหันมีนี้จ้า อันว่ามาข้าหนุนลายหลากป่าแปลงหากเต็มไพรีโปรดไวกิงก้อมอวนอ่อนน้อมไปมาในดงนาจูติการก้อมกี่ในไฟไม่ใหญ่ใหญ่เป็นหมูยังหันอยู่จูอันอันตาว่าบ่อหันลูกแก้วตายกว่าแล้วแต่ต่างใดนีจา้า อิเมติธันติอารมามันว่าอารามเปียงระรื่นฝุนซานุกจืนเอาใจนำเย็นใสตากว้ า, วางไหลแต่ตั้งสะละมาจุ่มปูป่าเนียงเนียวเล่นสอดเสียวนำนาตั้งฝ้าฝ่าเฝต้านำสอดจุกำจมจม้องสาลีบัวตองตั้งกูบวไปเล่นหมูปูป่าลอยไปมาขึ้นลองอายหน้าจองจุงกัน ยามตะวันดาคำเปียน้องรำร่นหาแม่มันดากำผ้ามาอยู่ท่ากองดูเล่นมาจูมาเน่าวันนี้สองปีเจ้าไปไหนเป็นสันใดสองเจ้าบอมาฟ้าแม่เข้าศาลานี้จ้า วิวิธานีรุคขาจาตานีอันวาตนไม่มีหลายแหล่ลูกย้ายแพ่ปันปวงในดงหลวงเขตกวางพระเตตังกิรียังหันมีพร้อมไข่สองแกนไทยไปในสองสายใจเจ้าแม่บอหันแกแดนได้ดีจ้า อีเมโนหัตทิกาอัจจานว่ารูปจังใจเลิดแล้วรูปมาแก้วแก่นสงขามลูกวัวงามลึงเบนขาเคยเล่นโจ้กันซองขาพันบอบผ้ากรูปจังมากวัวควาย ยังมีหลายดังเก่าป้อยบอ่ชหันลูกเตา่าติตั้งใดอาธาในกาละนันใส่เนือและนกมีลายหมูเต้นสะสูเต็มไรด้วยเสียงเจียวไปและร้องไห้หาซ <c oughs> องแกนไทยบุตรตาบ่ชหันสี่โซฟาตั้งกูเต่าปะแต่เนือนกหมูเคยหันนางโสภนหยดซอยจิงเก่าถอยกระถา ว่าอีเมสมาสะสาะลุ ก, กาดังนี้เป็นต้นว่าโอ๋นออันว่าถ้ารารคำขาตายนกเก้าปายถูกป้ายเห็นอมหลายหลายแหลมีจูงแงดงตันขาเกยพันผูกเล่น เนื้อตื่นเต็นไปมาสลีโซฟาตั้งกูพ้อยละเนื้อนอกอยู่ดอมได้สองบุญภัยลูกคาไปนี่นาอยู่ตั้งได้นี่จ้า <c oughs> อันว่าหงสาบินอากาศนกเขียนอาดบินสูงตั้งนกยุงจังฟ้อนสองน้อยอ่อนกคยหันเอาเจือพันผูกเล่นนกตื่นเต้นร้องว่ากอกอสองสอบอนอไทยละนกไวเย็นวอยนี่จ้า นางมาทีนอนเนาตุกไม่เอาขี้คมบอ่อหันสองอุดมพี่น้องในแห่งห้องศาลานางเล่นไปหาบอ่ออยู่เข้าไปสู่ดงนามีลูก ข, ข่าใหญ่หน้อยยายอยาถอยบ้านามในดงรามป่าไม่บอ่อหันแก้วแก่นไทยหนได้เป็นตุกใจขนาดนางเต้าจริสวดกาถา ว่าอิมาตาวานากุมปัโยดังนี้เป็นตนว่าปานี้มีไม้ลายอาตุมเสียงคาคุมนันเนืองดอกบานเรืองเลืองเหลือหอมจูเมื่อผับดงเพิ่งบินลงจมดอกบินเข้าออกจมเจยบ่หายเฮยทุกเตดดอกวิเศษหลายพัน หาชวนกันก็นองไม่แม่นจองสีเอาวัดนี้ส่ององเล่าละไห้แก้วแก่นไทยแม่รอยตายจ๊แลนานางบัด ท, ทีหน่อเนาเสาะหาลูกเต่าไข่ดงไพรบ่หันใส่ใจจอมมิงนางเต้าจริงคืนมา สัวสาลาตีเก่าทำเต้าเจ้าหลายหนหนอตะสะพุนบอกปากนางเต้าหากกังวลมีตัวตนใส่สันร้อนไร้ปันไปมาเจ็ดน้ำตาเจ้าใจร้องรำให้เก่าคาถาว่านะเตกัธานีพินนาดีดังนี้เป็นเก้าว่าข้าแด่เจ้าเนือหัว ไม่เละลัวบ่อได้พานำยังตาบ่อบตักมาซื้อสองขาลูกเต้าดังเมื่อเก่าวันอ่อนพระคูทอนยศใหญ่ยยบ่อสุมไฟใส่ลัวลายเต่านั่งอยู่ได้บ่อปากคานี่หากระวนพ อ, อยังตนเต้าไทยดังคนเงาใบาดีหลีคาแดพระราสีเป็นเจ้า ตนเป็นปินเก้าแกากันเจ้าจาตันต่อออกปากล่อกำดีทุกแสนปีเอาไมเตียงดับให้ดับได้สูญหายและนะาเบื่อนางมัดที่นาไทยร้องรำให้ปริเวตา น, นว่ามหาสัจเจ้าก็บตอตันเหล่ากำได นังมีใจไววันเรื้อตัวสันระสายดังคนจักตายกังไก่พัดแผ่ไข่ไปมาดังหรือดังกุ๊กกุตาแม่ไก่อันมักไขบ่บ่อจำรังเ <c oughs> จ้ามันจังเกียดใหญ่เอาค้อใสสันหลังตีนขานังสัตว์ฟาดดวดดินขวาขวาดไปมานั่นและนา <c oughs> นางจะระเดินหาลูกตุกต้องถูกน้ำนาซอไปมาลืมเล่าไข่ตีเก่าหลายปางซอดองขวางป่าไม้บ่อหันแก้วแก่นไถสายตาก็เลวหลังมาขึ้นสู่ในแก้วกูอาสรมบ่อหันสองอุดมปีน้องในแห่งห้องแดนใด นั่งเตวไปบอจอดพับไข่รอดอารามทุกดงน้ำปักวยตุกซ่ารอกหวยเขือวันทุกดงตันป่าไม้ทุกแหลงไรเข่าเขียวตุกรู้เหวปากดำตุกตาหนำรอมค้าตุ๊กผู้พาเหวหาตุกต้องตาดเหวหินตุกรู้ดินจอมปัวกไขยตั้งบวกสละนอง ทุกหินกองผากอตทุกผาจอผาจันแดนดงตันมัวมืดนังก่อไปยืดร่องหาโบหันสองขาหนอเตา้าในดานดาวแด่นได้นังสงสัยขาคอยว่าสองลูกน้อยรอยตายแต้จะรือ <c oughs> นั่งมัดทีนอนเอาตกไม่เอานำห น, น้าย้อนปิญารักลูกมาต้องถูกถึงตนนั่งเรร้นร้องไห้ออกอส่อใสไปมาด้วยวันและเวลาสามขาบน้ำตาอาอบไหลนอ้องบ่อหันซองบัวตองปีน้องไนแห่งห้องดงรี ป่อเสียงร้อยทีเตียวคำนางเต้าย่ำไปมากนาดาทวนทีนับได้แสนสี่หมือนว่าจากศาลาแก้วกูเขาไปสู่แดนดงบ่อหันซองพระองค์บะเวนซ้ำปอกแกลนขึ้นมา <c oughs> สู่ศาลาตีเก่านับลืมเล่าหลายทีนางเครื่องขี่ร่องให้ตีจิมไก่หน่อปพท้าวาคาเดมหาราชเ จ, าจา้า สองลูกเต่าใสา่ใจสัตว์ตัวใดเครื่องคาบมากันกาบกินคาจุ้มหมูกาในป่าก็บอามาล่าบินบนลูกสองคนผ่านแผวรอยตายแล้วจากกูนางเตะและนา เอวังบุฒิเตปีแม่ น, นังมาที่ยอดซอยจักรำถอยไข่คาน้วยพระการดังลกาวตนตันตา้าเวสันตราชากบ็บ่อจาตาันต่อบบ่อปากลอสักกรรมนางบุญ น, นำนอดเดาตุ๊กโศกเสาทองทอมเหตบอ่อหันสองอุดมปีน้องแก้วรวมต้องแม่เตวีกันร้อยทีแจ้งกรุงสุริยปุ่งสายแสง ตานางแดงดังเลือดเหตให้บ่เหือดสักยามย้อนหาสององรัมบ่ได้นางเต่าไทยต่อตอทิวตายเต่าตาไก่ถ้าแบ่นไกลต้องเต้นทรณีเพราะหาสองสะดีบ่ได้นางเต่าไทยลวดขาดใจตายวันนั้นแหละนา ส่วนว่าพระมหาสัจเจ้าตนผ่านแผ้วหันนางแก้วเต่าตั้งยืนโศกวื้นวูมัยบ่ ก, กิดค่อยเป็นสาลมตกตกถมทางคอนวะวูร้อนนำนาคว้นคุณนาบีมากอดลำบากเกลือใจย่อนอะไรบ่แล้ว เหตุหันนางแก้วเต่ามรณะมีน้ำตาไหลลังรีบลุกฟังไปไหวย่อเอาหัวนางใส่ใจนอท้ยขึ้นวางไว้เหลือตักให้รำรักเมียมิงกึดทุกสิ่งเครื่องขีหัวนางมาทีนอลาตายแต่กาวาสาหยุดไปเต่ามีใจแก่นกลางตกสาลังกังวนจริงเอาเมื่อตนวางไว้ บนอกนางนาถไทยมัดที่อกเตวียังอุ่นเต้นมาหมุนต่อมือตนบุญลือหยอดจอยก่อนนำตนน้อยกันตีมาพระผ่ายดีลบปนาแห่งเมียกำ้าใส่ใจเจ้าจอมใต้หยดใหญ่มาอยู่ป่าไม้เจ็ดเดือนนี่เสียเรือนมาบวชสร้างพนวดเป็นจี บ่่อนถูกตัวมัดที่สักเตืออยู่รังเรือตามทำเมื่อตุกนานำเกิดไก่ฮือเดือดไม่เรร้นดวดดื่มตนว่าเป็นนักบวชสร้างผนวดปั้เป่งทม <c oughs> ก่อโยกเอาหัวนางองค์คำดัดไห้ขึ้นวางไว้เหนือตักเจ้ายินรักบลแล้วเหตุหันนางแก้วสายุบตายยินเสียได้ขะคอย จิงรำถอยก่าว่าติวาดูราสายสะลีเฮยนอลาอันความดาเมื่อมอนตีนี้เป็นด้งดอนป่าเศาบ่าใจตีนั้งนอนเาควรนตายเต่าทรงระาไดา้แต่ใส อ้ยจักมาจวยใจทรงสะการพิวานังนงคานยอดซอยได้กาดก้อยเมื่อมนในนากรเมื อ, มอหนหนมงมิ่งปีจักสร้างสิ่งทรงสการดาปาริคานตานตอดอุติสะรอดนางเมืองยะตีเนืองสะสวมาพร้อมอยู่นำนาพิจารณาแต่งตอง พาสั์นองหน้าเบืองด้วยคำเลื่องกะใหญ่ผัดดับใส่ดูดีรูปสัต์มีใหญ่น้อยรูปดอกซอยดวงบานเฮือจังผู้จะดานสัรลักแต่งตามปิมแปงเดิมออนสัต ด, ดงดอนพ่อมขวายปีจักเฮือแต้มใส่าตามมีคือราชสีมอมใหม่เล่น อะไรเต้นนีเสือมังกรเรือห ล, อลายหลากนกจากปากขงสารูปพุท้าสบายห น, นักนกเขียนมากเป็นสายหัสดีลิงลายการะวีแขกเต้าปีกเขียวสีกินนาฬิกินนรอนแอนฟอนเงี้ยปีกย้อนหากันยักษ์กุมพันหลายหลากกําตังหนักนาคีรูปหัตทีจังมา หลายหลากตาเสือสิงรูปผูนยิ่งชมชาเล่มใจจูบแก้มรมใจรูปเมฆไหลดารดาดเคื่อวันวาดสนสานดอกบัวบานสะอาดดอกฟ้านดาดเจจน <c oughs> ดอกนี้ลูบนเขียวอาตุมดอกแกน ม, มแก้มกันจังก่อนวันย้ายหยาิแหวดภาสาดนางเมืองดูงามเรืองเลิศแล้วเป็นซาภาสาดแก้วแววยุง กองหลวสูงร้อยจันไม่เก่นขันจันดงสมุนละแวงมันสะสวาดผาแก้วสาดแก้วหยาดเรียงรายมีเจิงใจสะอาดน้ำเต็มหยาดดูเป้่าดำแดงขาวยดวางแมงปูสว่างบินบน เกือวันสนแสนสิ่งหิงแก้วหญิงจุปายทะบอกความปีจักใส่รูปมานำตัวกายทะบอกง่ายปีจักใส่รูปผนารายอกแอนตัดตินแต้นปีจักใส่ลายวงผ้าตุโคงปีจักเหือแตมเตวาดาถือดอกไม้พระนมมือไว้อยู่สันลอน บางคนปี่จักฮือถือจ่ามอนแก้วแก่งควัดไกวบางคนจักฮือถือขายซอยและหังนกยุงเตีหลังบุงปีจักฮือแต้มลายฟ้างตังบุกนาปี่จักใส่ลายคำลายคะแจจำจดเทการกับกี่บ้านใบห้อยน้อยไกว่หยาหยาเปลื้อมมามาปลายสีมีตังปัดเป้าเจ้ามารีดูหญิงไต้ฝ้าจริงดูคาร เพื่อจะส่งสักการน้องปี่ตุงดาวทีแจจนจักฮือคนมวนเล่นจักเจือกเต้นหกคาโดงจุ่มคนถงปี่จักฮือตีปาดกองเสียงตื่นต้องด้วยสบัติใจสารในปี่จักฮือสันเสียงสะนันด้วยเบ่งทากันจักจาด้วยปีนั้นทุกที่อืตือ หลางคนปีจักฮือตบมือต่างแฉ่งเครื่องเล่นแต่งหลายพระการมีพระมานดังเกาแล้วปีจักฮือแต่งไฟมากแก้วเล่นบนดินห้องก็บินไหวแวน่นบอกไฟจังเล่นเสียงค้างบอกไฟรูปมามีห่างเต้นต้วงบอกไฟรูปกวางพ่วงจับหลังใจบอกไฟรูปหัวพายเสียงร้อง บอกไฟรูปไฟเข่าซองยยองบนบอกไฟรูปแรดโยนเป่าเพิบเล่นพระเพิบเล้อยกันปอมเปียวขวัญงะงาดดังฟาฟาธรณีโขงธูรีมืดกุ่มอากาศหุ่มไปบนบอกไฟรูปคนกอจักวาเล่นรูปมาฮีแห่นตามเสียงสัตตะสำเนียงเกิดกอง นั่นตัวต้องสะกลตั้งไปบนอากาศพี่จักฮหือจ้างผูชะลาดแต่งไฟยิงห่นไตจักแต่งรูปสิงไว้ทา <c oughs> ขึ้นขี่มาหญาดยิงไปห่นบนโต๊จักขื้แต่งบอกไฟรูปจ้างเล่นขึ้นมั่งกองฟอน คนเหนือจักหื้อแต่งรูปติพาญยาทอนและนางฝ้าขึ้นขี่มาอัาดอนหัวก็งอนนั่งก็อาดังจกขึ้นฝ้าก็บอกหนแหลนขึ้นสะสนสะศาสขึ้นเจาะคงพาศาสแกว กันจอแล้วเล่นลงมาพาสัดนางผ้าหยานองจันบ่อหอนบันต้วงติ่งบอกไฟรูปนางสิงป้อยเล่นขึ้นเจาะแต่พื้นคันง่ายลวดลงย้ายกับจ้อ จอฟ้าปานลมหนวันออกปีจักหือแต่งไฟพระนมและเข้าตอกตั้งไฟดอกไฟขี ร, รูปม้องปีตัวใหญ่ตัวเจือกไ ต, ตจับคงรูปย่นหงและนกยุงตัวมีปีขึ้นฟ้อนลีกกันลงหลือตัวคงเมืองใหญ่สาตานไขดินด้นแก่นปุนวอนแกมโศกเป็นตีเล่าโลกสงสารด้วยภาการดังกล่าแล้ว ไฟมาแก้วแหกเป็นเปลี่ยวควันไฟเขียวติดสวาสวาดน้ำเต็มยาดกองลัวควันไฟมัวจะโจดฟุ่งสละโลดขึ้นกลางหาวปานดังดาวยังฟ้ายามนั่นปีจักางเงียงนาพอลิงดูขึ้นพระผูตกพระพรังเป็นกู้ลังไลลตามเป็นไฟงามย่อมดอกปานเข้าตอกเต็นพระพาย ไฟสะไห้ดอกน้อยขีดอกซอยแจจนเสาปกลนมั่งแตกไฟมาแก้วแยกเป็นเปลวควันไฟเขียวติดจอฟ้ามานกาดังจากบินเปยวลมควิดควีปันเกาดังจากยกเอาพาสัตวเจ้าพาสัตวน้องแม่มือบน หายกลางหน่นเมกฟารอดจันฟ้าติปปวิมานกาตำการสันนี้แล้วจริงเป็นโบราณทรงสักการนางพญากแกวแต่เดิมมาแลนา <c oughs> ดูการนางสายใจปี่เฮยฟุงหมู่คนตั้งลายฟุงดิดปิ้นเขาก่อจักมาดิดทรงเสพเจ้า ย่าเมื่อนางเต้าแม่มารนาปิลูกนันนาบ่ใจพอดีหากตึงมีมาแต่ก่อนแต่เจนพาเจ้าฟ้าปูมอนตนลงมาแลนาสายหนึ่งนันนาจีวรัตตาหนาไขหินแก้วมโนเนื้องสายหนึ่งจีวาคนตึงเมืองปั๊บกันมาย่อซอง เหมือนเป็นปีน้องเผาปันบงสาสายหนึ่งจิววาสุจ้ดาเกาะปอลงลาสายหนึ่งจิวาอยู่คลองด้วยตันหา <c oughs> สายหนึ่งจิววาผ้ า, ามาราจมดอกสายหนึ่งจิวาพายเข้าตอกทาเอาบุญสายหนึ่งจิวาสร้างกุศลพาธนาเป็นพระเจ้า สายหนึ่งเจียวุูงคนเทามีใจนายสงสารสายหนึ่งเจียวควนมักฮือตานก็วา่าเพราะใครถึงเวียงแกว้วสายหนึ่งดิดแล้วเข้าของมากมากมูลเตียนย่อมเฮือเป็นกุนแก่โลกยุต่างบรโภกตามใจ สายหนึ่งเจียวบัวบ้านไข่การกบสายหนึ่งมีเจวยวเตจ่าผาปสุทธาเราหรือซาด้วยยศใหญ่สายหนึ่งเจิยวนำใจไข่พญาอินฝูงค้นเป็นโรกาดีดหอฟังก็ยังหายสว่างบัด น, นี้กูปี ก, ก็บาจางไปเอาปินที่นายนายน้